ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องดื่มมหาสมุทรสมุทท่าชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ส2องเมษายน2547นาณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัด น, นี้ เรินทางพวกเราทุกคนวันนี้เราลองมาฟังชาดอกสักเรื่องหนึ่งมาเคยลงในเราคิดอะไรชื่อตั้งชื่อภาษาไทยไว้ว่าดื่มมหาสมุทรฟังก็แปลกๆดีนะไม่ใช่ดื่มน้ำธรรมดานะดื่มมหาสมุทร ชื่อชาดกเขาชื่อสมุทะชาดกก็ลองฟังดูแล้วกันน่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างพราผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารทรงเอ่ยถึงภิกษุอุปนันทะนะเป็นชื่อภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นภิกษุเชื้อสายสากยะวงศ์รูปหนึ่งว่าเป็นผู้มีนิสัยมากๆในอาหารขบฉัน มีจิตโลภในจีวรและของใช้มีการรับเงินทองเหมือนชาวบ้านอันนี้ดูนะโลภหลายอย่างเลยทั้งเรื่องการกินทั้งเรื่องข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงกิจริงๆภิสษุนี่ไม่ไม่รับเงินและทองคือไม่ไม่ใช้จ่ายเรื่องเงินทองอะไรละนะไปซื้อข้าวของอะไรต่ออะไรนี่ต้องไม่มีพรุทธเจท่านกระตัดห้าไปแล้วแต่อันนี้นี่ก็ รับเงินทองเหมือนชาวบ้านทั้งแลกเปลี่ยนกับป ร, ริยภาชกอีกด้วยป ร, ริยภาชกนี่เป็นนักบวชพวกหนึ่งนาะที่มีอยู่ในอินเดียสมัยพุทธกาลน่นมีเยอะนะพวกนักบวกลัทธิต่างๆนี่มีมากหลายหลายก๊กหลายหมู่เลยแต่ป ร, ริยภาชกนี่เป็นพวกหนึง่งป ร, ริยภาชคพวกนี้มกักจะเป็นพวกที่ ค่อนข้างเก่งในเชิงอะไรอะ่ะโต้ตอบวาทะอะไรพวกเนี้ยชอบเที่ยวสัญจรไปในที่ต่างๆนะัแล้วก็เหมือนกับท้าประลองอะไรอะ่ะโต้คาพูดกันโต้ความรู้กันความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะพวกป ร, ริป ร, ริยภาชกจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่นนี้ภิกษุเนี่ยก็แลกเปลี่ยนของกับป ร, ริยภาชกด้วย จนกระทั่งใครๆก็ไม่สามารถทำให้ภิกษุอุปนันทะอิ่มเต็มได้ด้วยปัจจัยทั้งหลายบวชเป็นภิกษุแล้วประพฤติตนเป็นหนี้ก้อนข้าวของชาวบ้านอยู่คือถ้าไม่ทำให้ถูกต้องตามศีลตามวินัยแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเป็นภิกษุนี่บาปหนักเลยน่าจะหนักกว่าคารวะธรรมดาเพราะว่า ชาวบ้านเขากราบไหว้เขบูชาเขาลบนับถือมีเก้าวของมีอะไรต่างๆอะไรเขาก็เทิดทูนเอามาถวายเอามาให้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นภิกษุแล้วมาทําผิดศีลผิดวิดนัยอะไรพวกนี้จะเป็นหนี้เบญญกรรมหนักนะหนักกว่าของคารวะธรรมดาอันนี้เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นหนี้ก้อนข้าวของชาวบ้านหมายถึงว่าอาศัยชาวบ้าน มีชีวิตยอยู่เพื่อถือศีลเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ปรากฏว่ากลับไม่ถือศีลกลับไม่ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องนั่นก็จะเป็นนี่นี่พอถึงเวลาเข้าพรรษาภิกษุอุปนันทะจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแต่มักเที่ยวไปในอาวาสต่างๆได้บริขารกลับมามากมายบริขารของนักบวชก็มีอะไรบ้างอะพวกบริขาร เช่นอะไรบ้างฮะก็บริขานอะ่ะบริขานก็ข้าของเครื่องใช้ต่างต่างเนยเช่นอะไรบ้างของพวกนักบวชอะ่ะไม่เคยเห็นบ้างเลยเหรอะออาบาจิวอนอะไรอีกอาจจะเข็มจะเครื่องใช้ ไม่สอยอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าบริการานั่นกันน่ะถ้าบอกว่าอัถบริขารก็จะเป็นบริขารแปดของภิกษุนะจะมีรัฐประคบมีอะไรต่างๆที่ภิกษุต้องใช้มีที่กรองน้ำนะรำมโกรกอะไรเนี่ยอืมอคือสมัยก่อนมันไม่ได้มีกฎหรอกนะแต่ถ้าสมัยนี้ก็ต้องถือว่าอา้าวก็ต้องใช้ ก็ถือว่าเป็นบริขารแต่มันไม่ได้มีอยู่ในไอ้อัถบริขารตอนนี้เนี่ยพอท่านเนี่ยตะเวนไปในอาวาสไหนเนี่ยก็เที่ยวไปเอาบริขารอะไรต่างเนี่ยจากวัดโน้นวัดนี้มามากมายทั้งจีวรและของใช้โดยมักกล่าวถึงความเป็นอาริยวงศ์นคือไปเอาของที่อื่นมาเนี่ยแล้วก็ชอบพูดกล่าวอ้างเรื่องความเป็นอาริยวง์ อริยวงหมายถึงวงของวงของความเป็นอริยะนะถ้าแปล ง, ง่ายๆกษกรุลเนี่หรือว่าตระกูลตระกูลอริยะเนี่ยนะชอบเอาเอาเอ า, เอาคำพวกนี้มาอ้างนะเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายมักน้อยสันโดษสละบริขารที่เกินจำเป็นออกแล้วตนก็นำเอามาเป็นของตนทั้งหมดคือพูดไปเนี่ยพูดเพื่อให้ ให้คนอื่นเขาเสียสละออกมาแต่ทั น, นี้เราต้องรู้ก่อนว่าอาริยวงเนี่ยมีข้อประพฤติข้อปฏิบัติยังไงบ้างนะสำหรับอันนี้สำหรับนักบวชนะสำหรับภิกษุมีอยู่สี่ข้อความเป็นอาริยวงนะ์ข้อที่หนึ่งก็คือจะต้องอยินดีหรือว่ามักน้อยในพวกติวอนเนี่ย ถ้าถ้าพูดแบบคารวาสสมมตินะถ้าเปรียบกับคาราวาสก็หมายถึงว่าเอาก็ต้องมักน้อยในเสื้อผ้านะเสืเสื้อผ้าที่สวนใสเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากมายมีเกินเลยมีเท่าที่มันใช้พอดีพอเหมาะพอควรจำนวนเท่านี้ชุดเท่านี้ชิ้นก็พอแล้วไม่ต้องไปมากกว่านี้นะให้มันสารวมแล้วก็ เป็นที่พอดีพอเหมาะก็ใช้ได้แต่ถ้าเปียบภิกษุแล้วก็จีวรก็มีเท่าไหร่เออมีสามผืนอ่าจีวร อ, อ, อ่มีอะไรสังคติสบงแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ยา ก, กนะสามผืน อย่า ง, า ง, า ง, างที่เรานี่ใช้ทั่วไปก็ผู้เจ้ามีอนุโลมว่าเอาให้ไปร่วมใช้กับผู้อื่นได้โดยโดยแบบว่าไปบอกกล่าวกันเพราะนั้นก็มีเสริมขึ้นมาเนี่ยได้แต่ถ้าโดยสรุปเอ า, อาง่ายๆสรุปก็ยังเก่งก็ไม่เกินสองชุดอนะ่ะพูดง่ายนะไม่เกินสองชุดสำหรับสาหรับพิสูจน์นะนี่พูดภาษาง่ายๆถ้าเป็นครวาด สักกี่ชุดดีสามชุดเหร อ, อชุดหนึ่งซักตากอีกชุดหนึ่งใส่อยู่อีกชุดหนึ่งสำรองไว้เหรอ อ, อย่างน้อยสามชุดแล้วสามชุดนี้ต้องอะไรใช้กินใช้นอนใช้ไปไหนใช้หมดเลยใช่ไหมอืมอันนี้เรียกว่า โ, โหเต็มทนแล้วนะสามชุดนี่เพราะว่ามันต้องใช้ทุกทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเป็นคารวาสเนี่ยก็ต้องไปช่วยง่าย ปู่ภาษาไอ้นั่นเขาหน่อยก็ต้องไปคิดแบบหรือว่าดีไซน์แบบที่คุณสามารถใส่ได้ทุกสถานที่อนุมาเคยคิดอย่างนั้นจริงๆสมัยเป็นคาราวาสอ่ะเคยคิดว่าจะเอ๊จะออกแบบเสื้อผ้ายัางไงนะคือคือพอเริ่ ม, เ ร, มเริ่มศึกษาธรรมะมันก็เริ่มรู้สึกเองอะ่ะว่าเอ๊จะทํำยังไงดีเราจะใช้เสื้อผ้าเนี่ยให้มันน้อยชุดลงมานะออกแบบยังไงตัดเสื้อยังไง กางเกงยังไงดีที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ไปเที่ยวเตะก็ได้หรือว่าจะใช้ไปทํางานก็ไดออ้หรือว่าจะใช้ไปอะไรอ่ะธุรกิจที่ไหนอะไรก็ไปได้นั่นแหละเคยคิดแล้วก็พยายามออกแบบแล้วก็ไปตัดใส่แล้วก็ชุดอื่นอ่ะที่เราเคยจะต้องไปซื้อไปใช้อะไร ก, ก็งดก็เว้นซะแล้วก็ใช้แค่เนี้ แค่ไม่กี่ชุดที่เราตัดขึ้นมาเคยอธรมาเคยทําอย่างนั้นมาก็ไม่ได้ไปรู้อะไรมากหรอกนะเพียงแต่ว่าพอเริ่มศึกษาธรรมะเนี่ยมันมันไปเองอะ่ะมันจะเข้าใจแล้วมันจะรู้ว่าเอ้ยมันต้องมักน้อยขึ้นมาสิมันต้องสัสนโดดขึ้นมาสิคือถ้าใครศึกษาศาสนาพุทธแล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจอย่างนี้เลยวันใครที่ยังมกักมากอยู่ยังอะไรเยอะแยะอยู่เนี่ยมันตรงข้ามกับศาสนาพุทธแล้ว ขันศาสนาพุทธนี่ต้องมักน้อยขันข้อที่หนึ่งเนี่ยอย่างไงน้อยเนี่ยใครจะสืบต่อเป็นเชื้อสายของอาริยบุคคลนะจะเป็นสมณะคือเป็นนักบวชก็ตามหรือแม้จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามก็จะต้องเข้าใจให้ได้ว่าถ้าจะเป็นเชื้อสายของพุทธแล้วต้องมักน้อยมักน้อยในโดยเฉพาะเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเสื้อผ้าอ่า สองยินดีมักน้อยในอาหารบินธบาตอันนี้หมายถึงภิกษุแต่ถ้าเป็นคราวาสก็คือต้องมักน้อยในอาหารการกินต่างๆไม่ใช่ว่าโอ้โหกินจนไม่มีมือ้อกินจงกระทั่งเรียกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดอยู่เรื่อยเลยนะเผื่อว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวกลับมาอีกทีเดี๋ยวของอร่อยหมด พราะะฉนั้นกินซะก่อนตุนเอาไว้นะบางคนจะตุนไม่ในท้องเรียบร้อยไม่ได้ไปตุนไว้ที่ตู้ออนะตุนไว้ที่ท้องเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องรู้ว่าไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่นิสัยไม่ใช่ความเป็นพุทธะไม่ใช่อริยะวงถ้าใครจะสืบเชื้อสายของความเป็นอริยะวงของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักมักน้อยนะมักน้อย ไม่ใช่แปลว่าต้องกินให้น้อยจนกระทั่งโอ้โหเหบือนพระพุทธเจ้าตอนบําเพ็ญทุกขกรรมิยากินเหลือเม็ดข้าวสารเม็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหไม่ใชอ่อย่างนั้นนะอันนั้นกลายเป็นแบบอันนั้นท่านฝึกแล้วท่านก็ยังไม่รู้ด้วยท่านสําคัญผิดท่านก็คิดว่าอย่างนั้นจะเป็นทางบารรลุธรรมแต่อันนั้นไม่ใช่มากน้อย อันนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาไปทําก็บ้าแล้วขี้เหนียวขี้เหนียวเกินไปแล้วเอมักน้อยนี่หมายถึงว่าเรากินน้อยที่สุดแต่พอดีคําว่ามักน้อยมีเสื้อผ้าก็มีให้น้อยชุดที่สุดแต่พอดีเราสามารถจะใส่ได้โดยที่เรียกว่าไม่ไม่ถึงกับโอ้โหต้องเผื่อเหลือเผื่อเกินเผื่ออะไรเยอะแยะแต่ใส่ได้มีให้ซักมีให้ตากมีให้ ใช้ไปโน่นไปนี่ได้โดยที่เรียกว่าไอ้ที่มันเกินความจำเป็นของชีวิตเนี่ยตัดออกไปได้ไอ้นี่ไม่ใช่โอ้โหทุกวันนี้อะไรชุดชุดไปเที่ยวชุดไปทำงานชุดอยู่กับบ้านชุดนอนโอ้ยชุดอะไรกัเยอะแยะไปหมดเลยชุดออกงานอีกโอ้โหไอ้นั้นมันเกินละมันเฟอเกินความจำเป็น เนัมักน้อยเนี่ยมันจะลงมาเท่าที่มันจําเป็นไม่ใช่ไปเอาตามค่านิยมของสังคมแต่เอาตามความเป็นจริงของชีวิตที่เรียกว่าใช้อย่างนี้ก็ก็ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่บางทีต้องมีเยอะต้องมีมากก็กลัวไงกลัวว่าคนอื่นจะดูหมิ่นเอาโอ้โนี่ใส่ซ้ำแล้วนี่วันนั้นเห็นใส่แล้วเออกลัวเขาจะตีกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะหาว่าเชยอะไรพวกนี้ นะยิ่งเรื่องอาหารการกินใช่ไหมข้อที่สองเนี่ยยิ่งโอชอบอะไรกินที่ไหนไปที่โน่นนะโฆษณาเดี๋ยวเนี้ไปดูเหอะจะทีวีจะหนังสือทั้งหาอะไรสารพัดเลยโฆษณาเรื่องกินนี่ก็เยอะมากเลยกินโน่นกินนี่กินนั่นจะเซเว่นอีดเวหรือจะห้างสรรพสินค้าหรือจะ วิซาอะไรที่ไหนก็โอ้โหโฆษณากันหูดับตับไหมเลยนะถ้าส่งไม่เกินกี่นาทีนะให้กินฟรีอะไร <g ül üyor> เออเรียกว่ามันหลอกล่อเยอะแยะให้คนอยากกินมากกินฟุ้งเฟอ้อแล้วมันก็ยิ่งแบบนี้จะเหมือนภิกษุรูปนี้เห็นหจะมากๆมันจะไม่มีความมากน้อยลงมานะนั่นเป็นข้อที่สองในเรื่องอาหารการกิน ส่วนข้อที่สามเนี่ยก็คือยินดีมักน้อยในที่พักอาศัยหรือพูดง่ายๆว่าที่หลับที่นอนบ้านที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเป็นนักบวชเป็นยังไงที่พักอาศัยอยู่โคลนไม้ก็ได้ใช่ไหมไปเอามีกรดก็สบายแล้วหรือไม่มีกรดเลยสมมติเอา้าบางทีบางที่ไม่รู้จะทำยังไงก็นอน นะอันนนะเอาจีวอนกลางเข้าคลุมเลยนอนไม่ต้องมีกรดไม่ต้องมีบ้านอะไรก็ได้อันนั้นก็เป็นแบบฐานะนักบวชเอาก็ต้องฝึกก็ต้องมักน้อยให้ได้ถึงขนาดนั้นหรือถ้าเขามีกรดให้เอาก็อยู่กรดกรดก็ต้องขนาดตามที่วินัยนะตามพระพุทธเจ้าท่านกำหนดเอาไว้ว่ากรดก็ควรขนาดนี้ขนาดนี้หมายถึงที่พักที่นอนแต่ถ้าเราพูดถึงคารวาสอะ ที่เป็นชาวพุทธถ้าเราจะเข้าสู่กระแสอริยวงเราก็ต้องรู้บ่เออที่พักบ้านที่อยู่อาศัยหลับนอนอะไรต่างนะมันก็ต้องหัดมักน้อยบ้านไม่ต้องหลังใหญ่ก็ได้นะเอาพออยู่อาศัยบ้านไม่ต้องโว่เฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะแยะก็ได้ อไม่ต้องแม้ต้องประดับไอ้นั่นต้องมีไอ้นี่นะเวลาคนผ่านมาเห็นแล้วก็จะโอ้โหอย่างกับพระราชวังนะไม่ต้องไปพุง่งเฟอ้อแบบโลกโลกเขาอย่างเงี้ยที่อยู่อาศัยก็ต้องมากน้อยลงมาหรือที่หลับที่นอนเราเงี้ยโอ้โหไม่ต้องเตียงใหญ่ไม่ต้องเตียงอะไรนะเตียงน้าไม่ต้องเดี๋ยวนี้โอโ้เตียงเขาสารพัดเลยจับโยนทีนึงออกมา กลายเป็นเต็นกลายเป็นเตียง น, นอนได้สบายเลยทันทีเลยนะเดี๋ยวนี้คือคือคนเลกโลกเขาก็สารพัดที่จะทำอะไรออกมาให้ให้อะไรอะ่ะให้มันสบายที่สุดอะ่ะให้สะดวกที่สุดนะเขาก็คิดอย่างนั้นแต่ถ้าหลักการของพุทธไม่ได้ไม่ได้เอาอย่างนั้นเอาว่าเราจะมักน้อยที่สุดได้ยังไงไม่ต้องนอนฟูกนอนแค่ พื้นกระดานเนี่ยหรือว่ามีเสือปูก็นอนได้แล้วอย่างเงี้ยนอนได้ไหมฝึกแล้วจริงๆนอนพื้นแข็งๆนี่จริงๆดีสักวันหน่งนะกระดูกกระเดี่ยวจะได้แข็งแรงดีนอนนุ่มๆมากๆนี่กระดูกอ่อน <c oughs> <c oughs> กระดูกอ่อนเอยไม่ค่อยแข็งแรงหรอกเพราะจริงๆแล้วมันมีเหตุอะไรเยอะแยะนะเหตุผลแรงต่างเพราะนั่นเนี่ยถ้าใครฝึกเนี่ยคนนั้นก็จะเริ่มเข้ากระแส ของความเป็นอริยบงมักน้อยในที่อยู่อาศัยต่างๆส่วนข้อสี่ของความเป็นอริยวงก็คือยินดีในการละกิเลสทําให้เกิดมรรคผลอันนี้ถ้าใครเนี่ยจะมาเข้ากระแสของความเป็นอริยะอริยะก็คือผู้ประเสริฐเนี่ยนะผู้ที่รู้สัจจารู้ความแท้จริงอันประเสริฐของชีวิตได้นะเรียกว่าอาริยะ คนที่จะรู้อย่างนี้ได้เนี่ยต้องรู้กิเลสของตัวเองให้ได้แล้วก็ต้องลดกิเลสตัวเองให้ได้คนนั้นถึงจะเนี่ยเข้าสู่ข้อสี่ยินดีในการที่จะลดละกิเลสของตัวเองไม่ใช่แบบว่าเที่ยวจะไปลดกิเลสคนอื่นนะแต่กิเลสตัวเองนี่มากขึ้นเรื่อยๆไอ้อย่างนี้ไม่ใช่มีเหมือนกันบางคนมกกักจะเป็นอย่างนั้นนะชอบที่จะ คอยดูคนอื่นนะไอ้คนนี้เนี่ยโอ้โหตักต้องเยอะโอ้โหคนนี้กินมากไอ้คนนี้อย่างนั้นอย่างงอนนะแต่พอตัวเองนี่ไม่ค่อยดูอะว่าตัวเองนี่เป็นยังไงบ้างที่อยู่อาศัยเป็นไงเสื้อผ้าเป็นยังไงอ า, อาหารการกินเป็นยังไงไม่ค่อยได้ดูตัวเองแต่ชอบที่จะไปจับผิดคนอื่นหรือว่าไป ดูว่าคนอื่นเขาจะทำอะไรขาดตก บ, บกพร่องอยังไงบ้างนะแต่ตัวเองเนี่ยมองข้ามซะซึ่งถ้าอย่างเนี้ยไม่มีวันเลยที่จะเข้ากระแสพุทธได้นะมันก็จะมีแต่จะไปจัดการคนอื่นโดยที่จะไปลดกิเลสให้คนอื่นเขาแต่กิเลสตัวเองเนี่ยไม่เคยลดซึ่งอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะใครๆคที่เป็นอย่างนี้นี่ไม่ไม่ได้เป็นไปนตามแนวของาศาสนาพุทธเลย อนศาสนาพุทธเนี่ยผู้เจ้าจะสอนเลยว่าต้องจัดการตัวเองก่อนคนอื่นนะทีหลังด้วยซ้าไปนะอันนี้เป็นสี่ข้อของความเป็นอริยวงหรือใครเนี่ยจะมาอยู่ในวงตระกูลไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเกิดกับพ่อแม่คนนั้นตระกูลชื่อนั้นชื่อนี้อันนั้นน่ะชื่อตระกูลอะไรก็ได้แต่ถ้าใครปฏิบัติสี่ข้อแบบนี้แล้วนะจะชื่อ ตระ ก, กูลอะไรสิ้นป่าโลภีจะชื่อตระ ก, กูลอโศกตระ ก, กูลหรือจะชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าใครปฏิบัติสี่ข้อนี้ได้นั่นแหละคือผู้ที่เข้าสู่อริยวงส่วนใครแม้มีชื่อโหเพาะพิ้งเลยชื่อแบบหมดกิเลสเลยนะชื่อนิพานเลยเอาแต่ในชีวิตจริงๆรสี่ข้อนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะงอ ง, งงแงง บางทีก็ที่เอาไปทาให้คนอื่นตัวเองไม่ทำคือถ้าอย่างนี้แล้วไม่อยู่ในอริยบงเลยนะอันนี้ต้องชัดเจนตัวเองตอนนี้เนี่ยคือภิกษุรูปเนี้ยก็ชอบอย่างเงี้ยเอาสี่ข้อเ น, นี้ยไปพูดกับเพื่อนภิกษุอื่นเพื่อนภิกษุอื่นพอเจอเงี้เอาให้มากน้อยนั้นมากน้อยนี่ก็เลยสละออกกันทีอะไรที่มันเกินความจำเป็นที่ตัวเองคิดว่าเออ เราสามารถลดอันนี้ได้ลดอนี้ได้ก็เอาออกเอาออกพอภิกษุรูปอื่นเอาออกพิกษุเนี่ยอุปนันทะานี่ก็เลยเอาของเขามาหมดเลย <c oughs> เอามาเป็นของตัวเองอย่างนี้เห็นไหมบอกให้คนอื่นลดกิเลสแต่ตัวเองเพิ่มกิเลส <c oughs> ใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นแล้วระวังพวกเราเองก็ต้องระวังอันนี้ด้วยนะพอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ใช่ไม เหล่าภิกษุจึงสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านทั้งหลายภิกษุอุปนันทะสากยบุตรนั้นประพฤติตนเป็นผู้มากมากอย่างยิ่งแต่บอกสอนผู้อื่นให้มักน้อยแล้วเอาสมณะบริขารมาจากที่ต่างๆสะสมไว้มากมายไม่เป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสเลยพอดีพระาศาสดาเสด็จมาเมื่อทรงทราบเรื่องที่หมู่ภิกษุสนทนากันแล้ว จึงตรัสติเตียนขึ้นมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปนันทะกล่าวถึงอริยวงแก่ผู้อื่นแต่ตนกลับกระทำการมากๆอันไม่สมควรเลยทั้งที่จริงตนควรจะต้องเป็นผู้มักน้อยก่อนแล้วค่อยกล่าวสอนอริยวงแก่ผู้อื่นภายหลังเพราะบุคคลควรตั้ง ต, งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน แล้วค่อยพัฒนสอนผู้อื่นในภายหลังจะไม่เศร้าหมองประโยคนี้เราจะได้ยินบ่อยนะแล้วก็เราก็มักจะเอามาเตือนพวกเราอยู่เสมอๆเลยว่าอ่าระวังระวังระวังนะตัวเองนี่ทําได้แล้วหรือยังนะตั้งอยู่ในคุณอันสมควรก่อนเนี่ยหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยทําดีได้หรือยังเราต้องทําดีให้ได้ก่อนดีได้แล้วค่อยเอาดีดานั้นมา สอนคนอื่นเขาถ้าอย่างนี้เวลาโดนเขาตีสอกกลับเขาตีสอกกลับหมายความว่าเขาย้อนเอาบอกเอาสมมตินะเราบอกว่าอา้าโอ้ยนี่กินมากไปแล้วน่าจะกินน้อยหน่อยอุย้ยกินไม่มีมือ้ออะไรเงี้ยนะไย่ว่าเขาแต่จริงๆตัวเอง ตัวเองก็เหมือนกันกินไม่มีมือเหมือนกันอย่างเงี้ยจริงนะเราไปสอนเนี่ยเราพูดดีนะพูดถูกต้องคําสอนนั่นนะถูกต้องว่าเออมันกวจะกินน้อยลงมาสิอะไรสิแต่พอเขาย้อนกลับมาเท่านั้นเองเขาบอกอ่ทําได้แล้วแล้วยังคุณเนะี่ยเที่ยวมาสอนเขาอื่นเขาจบเลยแล้วคำคำสอนแม้จะดีอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านหรือของคนอื่นเขาเพราะเราทําไม่ได้เหมือนทุกวันเนี่ย บางทาีนักเรียนบางแห่งเขาก็ไม่ศรัทธาไม่เคารพครูครูสอนว่าอา้านักเรียนทําตัวให้ดีนะ อ, อย่าไปติดยาอย่าไปอะไรอะ่ะกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรที่ไหนหน้าอะไรแต่ปรากฏว่าที่เด็กนักเรียนก็เห็นแล้วเอาละครูบางทีเอาและ้ะกินเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างแม้ว่าจะบางทีจะ นอกห้องหรือนอกโรงเรียนอะไรก็ตามแต่แต่เด็กไปเห็นกันอา้าวก็ครูสอนว่ามันไม่ดีอ่ะกินเหล้าสูกบุหรี่แรงต่างหรือเอาบยมุกอะไรพวกเนี้มันไม่ดีแต่ครูสอนแล้วครูทําซะเองแล้วไอ้คาสอนมันจะศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงไหนอ่ะแม้จะเป็นคําสอนที่ถูกต้องแล้วก็เป็นคําสอนที่ดีก็ตามแต่มันไม่มีผลเลยเพราะว่ามันไล้ค่าหนิในเมื่อเขาเห็นว่าอา้าวก็สอนอย่างนี้แต่ว่าตัวเองก็ยังทําเพราะนั้นเขาไม่เชื่อ เขาก็ไม่ไม่ใส่ใจแล้วคราวนี้เาไม่สนใจเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นสาคัญที่ผู้เจ้าท่านถึงได้ตัดย้ำกับาสาวกหรือว่ากับกับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยอยู่เสมอเสมอว่ า, าต้องสอนตัวเองให้ดีก่อนบังคับตัวเองฝึกตัวเองให้ดีอะไรที่ฝึกได้แล้วก็สอนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยจะไม่ไม่เศร้ามองภายหลัง แล้วทธ้จ่าท่านกระตัดต่ออีกว่าแต่อุปตันทะนี้ไม่ใช่เป็นผู้มากมากในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็โลภมากหวังได้มาหาสมุทรทั้งหมดไว้เป็นของตนมาแล้วโอ้โหโลภจัดโลภจัดมากๆาเลยนะอะไรนะหวังบ้านหลังใหญ่ ห, ญหวังอะไรอีก หวังมีรถมีเรือมีที่ดินมีอะไรนะอันนั้นมันอย่างน้อยไปใช่ไหมโอ้อันนี้หวังเอามหาสมุทรมหาสมุทรนี่มันใหญ่แค่ไหนคนคิดดูตีโลกเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนโลกเราเนี้ยเอาสี่ส่วนมีอะไรบ้างมีดินมีดินกี่ส่วนถ้าเทียบเทียบดินหนึ่งส่วนน้ำน้ำสามส่วน น้ำที่มันเยอะกว่าโอ้โหดินตั้งขนาดไหนแล้วที่ใหญ่ที่สุดของน้ำก็คือมหาสมุทรแล้วไหลไปรวมกันในมหาสมุทร ส, ส่วนใหญ่น้ำเพราะนั้นโอ้โหพระเจ้าบอกว่าแม้นิสยัยอย่างนี้นิสะสมมาไม่รู้กี่ชาติตอกี่ชาติเนี่ยยังแก้ไม่หายเลยภิกษุอุปนันทะเนี่ยบอกเนี่ยโอ้โหชาติก่อนๆ น, น, นู้น น, นี่หนักเลยที่โลภจะเอามหาสมุทรทั้งมหาสมุทรเลย ลราจึงทรงเล่าเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นที่มาของสมุดทชาดกแหละว่าในอดีตการณมหาสมุทันกว้างใหญ่ซึ่งมีเทวดาประจําสมุดรักษาอยู่จริงๆทุกที่เนี่ยก็มักจะมีเทวดารักษาทั้งนั้นน่จะเป็นมหาสมุทรจะเป็นทะเลจะเป็นแม่น้ำลาคลอง จะเป็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่ไหนเนี่ยจริงๆิงจะมีเทวดารักษาทั้งนั้นเทวดาหมายถึงอะไรเฮเทวดาหมายถึงอะไรเออคนที่มีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่อยากจะรักษานะถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติจะรักษาธรรมชาตินะถ้าเป็นเรื่องข้าของเครื่องใช้นะก็จะมี คนที่เขารู้จักคุณค่าเขารู้จักว่าเออเป็นของที่จะต้องใช้จะต้องดูแลรักษาก็าจะเก็บจะอะไรอ่ะบริหารอ่ะหมายถึงว่ า, อ, าอ้าวไอนี่ควรเอามาซากักเอามาล้างนะเอามาเช็ดถูเอามาเก็บไว้เพื่อที่จะใช้ต่อไปอย่างงี้เนี่ยพวกเนี่ยเขาเรียกว่าพวกเทวดารักษาของนั้นๆออันนี้มหาสมุทรก็จะมีเทวดา นะประจํามหาสมุทรเหมือนกันนะคนที่รักธรรมชาติรักน้ําก็ไม่อยากที่จะให้น้ําสกปรกไม่อยากให้น้ําเน่าเสียนะก็จะดูแลรักษามหาสมุทรเนี่ยก็จะต้องมีทั้งสัตว์น้ำํำมีทั้งน้ําด้วยมีทั้งพืชในน้ํามี แร่ธาตุมีหินมีอะไรต่างๆเขาก็จะดูแลรักษาให้มันเป็นไปโดยธรรมชาติไม่ให้มันสกปกกรกรกเลอะอะไรเหมือนทุกวันนี้นะไปรวมไปทั้งการดูแลว่าเอ้ยมันจะเหือดจะแห้งหรือว่ามันจะเสียหายมันจะโดนใครทําลายอะไรไปที่ไหนยังไงไหมคนที่รักแล้วก็ปรารถนาดีก็จะดูแลสิ่งเหล่านี้เอาไว้ ส่วนคนชั่วคนเลวคนไม่สนใจอะไรใครอื่นเขาเห็นแก่ตัวมีแต่ทำลายลูกเดียวไม่มีช่วยดูแลไม่มีช่วยรักษาอะไรใครที่ไหนหรอกนะมีแต่เอารัดเอาเปียบมีแต่โกงมีแต่อะไรอะ่ะเผาพรานทำลายไม่มีไม่มีช่วยช่วยเหลืออะไรเลยอ่ตะตอนนี้พอมีเทวดาประจำสมุด ร, รักษาอยู่ มีอยู่วันหนึ่งได้ปรากฏกาน้ําตัวหนึ่งมันมีอะไรนะกาน้ํานี่ไม่ถึงว่ากาที่อีกาเนี่ยนะเขาเรียกมันเป็นกาน้ําที่มันสามารถที่จะลงน้ําได้ถ้ากาบกก็ได้แต่บนบกนะลงน้ําไม่ได้แต่ น, นี่เป็นกาน้ําตัวหนึ่งบินล่อนไปมาเดี๋ยวก็โฉบลงสู่น้ําเดี๋ยวก็โผลสู่ท้องฟ้าหากได้พบปลาหรือนกอื่นใดเข้า การน้ำก็จะบอกห้ามสัตว์ต่างๆว่าท่านทั้งหลายจงดื่มน้ํามหาสมุทรเพียงแต่น้อยเถิดจงช่วยกันรักษาน้ํามหาสมุทรเอาไว้น้ําจะได้ไม่หมดไปเสียเนีย่ยเจอใครอะไรที่ไหนยังไงน่าจะเป็นสัตว์น้ําตัวไหนอะไรก็แล้วแต่ก็จะบอกว่าพยายามนะอย่ากินมากอย่าใช้น้ํามากนะอย่าไปทําให้น้ําเสียนะอะไรต่ออะไรก็พยายามเตือนทุก อะไรอ่ะสัตว์ทุกชนิดที่กาเนี่ยเจอที่จริงการน้ำพูดไปด้วยความโลภหวังดื่มน้ำในมหาสมุทรแต่พูดเดียวจึงแ้งเก่าให้ผู้อื่นประหยัดเอาไว้ <c oughs>